พระบัญญัติห่งก็ภิกษุณีใดกล่าวกับสิกขามานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จวนแก่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่บวชให้ไม่ควนขวายใช้ให้บวชให้ต้องอบัดป่าจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ